ต้องจบเงเกี่กับลูกค้านม่คะบางทีมันก็ก็จะบอกว่าเป็นการเสียดเงินแต่ว่าถ้าเราจะช่วยตอนที่เรารวยเราก็คงจะไม่มีโอกาสช่วยใครนะคะแล้วก็ถ้ามองว่าเป็นการเสียเงินคนในครอบครัวหนูก็เอาออกทั้งหมดเลยค่ะทั้งหัวทั้งหลุมไปเยี่ยมด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็เคสคุณยายนี้หนูก็โพสตทุกหน้าเลยค่ะว่ามีกลูเพื่อนไหนนโพสมัน ขึ้นมาทุกหน้าหนูรู้ว่ามันยากที่จะเอาเงินจากกระเป๋าทุกคนออกมาเด็หนูนก็ทำได้แค่ว่าคือการทำงานห้<ม>นนาโมงตียเราแสดงความจริงใจในการทำงานตั้งใจทำงานแล้วก็โพสทุกวันว่าเราไปเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้คนไข้อะไรบ้างแล้วก็คนที่เขาสัทาในการทำงานของเราเขาก็จะรีบจากมาะคะ่ะก็ไันยอด3 0 0พบาทจากทีศารโรงบาทแล้วก็รีพยาบาลรัก่งที่อุบล น, นะคะ เป็นเพื่อนในเฟซเขาบริจาคมาแล้ก็จะเอาไปทําหน้าตามให้คุณยายนะคะก็คือเราต้องมีมีวิชาโลแกนในตัวเองของหนูก็หนูคิดว่าก็ไม่มีใครที่สมควรถือรังเกียร์นะคะแล้วก็จงเป็นผู้บริบารในการรับใช้มวลมนุษย์แลกะก็ทุกคนนะคะเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนดีเด่นดังอะไรแค่เป็นคนที่มีประโยชน์คนหนึ่งเท่านั้นก็ขอบคุณหัวใจทุกดวงคะ่ะ ขอต้อนรับคุณหมอนะครับพบทุกประเด็นนะครับอ่ะอำเภอต่อไปครับคุเมืองอ่เมืองก่อนไหมหรือว่าคุเมืองก่อนก็ปภวิชัอ่ะปภวิชัยคุณสมจิตประยักษานะครับอ่ะเชิญครับข้าคุณมัสการาเรนทุกทุนด้านสอบรูปเรียนท่านดรนิรันตแล้วก็สวัสดีท่านสหอาสา ผู้พิพากาผู้หทุกท่านแตนะ่วันนี้เชนสนใจคําว่าสหาอาสานะเพราะว่านับที่ตรงนี้ไม่มีใครใส่หมวกไปเดียวแ น, น่นอะนทุกท่านเป็นจิตอาสาทุกท่านเลยนะวันนี้นะถือว่าเชนได้มีโอกาสนะได้ต่อยอดของคําว่าอาสาเพิ่มตืมนะในการได้เป็นจิตอาสาประชาชนนะเชนเป็นจิตอาสาได้ไหลายจิตอาสาที่ทําอยู่วันนี้สี่ข้อ ที่ท่านอาจารย์ดรนัตพงษ์ทัศนให้มาเรียนขอน้อมนำหลักฐของพระองค์ท่านนั่นก็คือหลักศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะเข้าใจบริบทของชุมชนเราประโณชัยมีบริบทเข้าใจปัญหามานานแล้วมีแนวทางการแก้ปัญหามานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้แก้ ไนะว้ใช้ปัญหาเราสะสมเอาไว้กับอาสาได้หลายคณะที่รอการแก้ไขนะคะเมื่อมีคิดอาสาประชาันเกิดขึ้นมาปุ๊บนะเราไม่ต้องลงสํารวจเลยค่ะ16ตำบลนะลลนะเรามีอสมเรามีผู้นำชุมชนเรามีอชตรงนี้เราร่เพื่อเชื่อกันแต่นะนี่คือหัวข้อแรกก็พูดถึงว่าคําว่าเข้าใจนะคะเข้าใจความต้องการเท่าที่ทีฉันฟังมาได้หลายทา่าน หัวข้อเดียวกันหนึ่งย่างไรสองพิการสามปิดเตียงี่เราเข้าใจกันแล้วว่านี่คือตรงนี้แต่ประเด็นที่พี่ันอยากจะพูดก็คือว่าในเมื่อเราเข้าใจแล้วเขาต้องการอะไรไม่ใช่แค่เครื่องอยังชีพครั้งเดียวช่วยเขาตลอดไปไม่จบจะไม่ห่ายทํำยังไงจะให้เขาอยู่ได้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราจะช่วยยังไงจนกว่าเขาจะตายนะ ดิฉันอยู่กับครอบครัวที่เป็นอาสานะสามีดิฉันลงทุกอาทิตย์เอาถุงยันที่ซึ่งเป็นทรัพย์ส่สวนตัวและได้บริจาคมานะลงไปช่วยทุกอาทิตย์ในอำเภอประโคนใช้ราองขอช่วยเหลือเองไม่ได้ร้องหน่วยงานหน่วยงานไม่ได้พ่อทินนะคะหลายๆท่านเวลาลงพื้นที่มักใช้คําว่าหน่วยงานไปไหนจะขอพื้นที่ไปไหนอย่าใช้คำนี้ ถ้าท่านใช้คํานี้ท่านมีนนกกบัรดาตระกอบเพนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาช่วยหรือไม่ช่วยแต่ในบริบทน้นดิจันเชื่อว่าเขาช่วยตามอัตลักษตามหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ช่วยด้วยใจจริงไหมคะเขาช่วย น, น้าดที่จริงๆค่ะค่ะแต่เราช่วยด้วยใจนะเพราะฉะนั้นเราลงพื้นที่ไม่ต้องไปถามหากใจงานในเมื่อเราพร้อมที่จะช่วยนี่คือเข้าใจเข้าใจความต้องการของเขาแล้จะช่วยยังไงยห้ได้่ี เราจะช่วยอยังไงให้ยั่งยืนมิฉันไม่ยกเท็จของประโคชัยมีเยอะมีทุกอำเภอมีทั้งจังหวัดในเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะทําอย่างไรมิฉันใช้คําว่าสหอาสาจิตอาสาไปชาราดได้งบมารอมี้ครั้งเดียวแต่เราไปเชิดเขาครั้งเดียวเราภูมิใจเตลอดชีวิตใหม่ไม่ค่ะไม่ตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเป็นสหอาสา วันนี้เราได้ของกินอาสาประชารักไปช่วยพรุ่งนี้เราได้ของอสมอไปช่วยมะรืนนี้เราได้ของผู้นาชุมชนไปช่วยเดือนต่อไปเราได้ของพรมาจอไปช่วยนี่คือการแต่ยอดนี่คือสถนอาชาที่เราได้ทําม้าที่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะนี่คือแนวทางกันช่วยเขาผู้ยากไรที่ส่งเสริมอาชีพเขาได้ตรงนั้นเขาเลี้ยงตัวเองได้แต่เชื่อว่าทั้งจังหวัดบุรีรัมย์มีหลายครอบครัว ที่เราต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตนะคะมีเพจที่ติดเตียงชุดพ่อพีกเนี่เหมือนที่นะคุณหมอพูดเมื่กี้เราจะช่วยเขาแค่เอาของอย่างที่ไปให้มูลค่าเป็นงพันบาทและจบแล้วเรื่องต่อไปเขาอยู่ยังไงใครจะไปช่ว ย, นะ ย, ยะนะคะยันอยากจะฝากนะคะในเมื่อเราเมื่อกี้พูดถึงเขาจากเข้าถึงก็คือการเข้าไปช่วยเขาแล้วเราจะเข้าถึงขเขาอีกครัง้ง เราต้องตั้งเป้าหมาย ใ, ในชีวิตเราสิคาวา่าเราเป็นจิตอาสาประชารัฐเราเข้าหนึ่งครั้งเราเป็นจิตอาสาที่ได้ตำแหน่งเราเข้าอีกหนึ่งครั้งเราจะช่วยเขาในการเข้าถึงความทักฟังนะแล้วทำอย่างไรจะให้เขาช่วยเขาได้ตลอดไปเพราะถ้าทุกคนคิดว่าอยากจะช่วยเขาไม่ได้ตลอดไป<น>เราใช้คําว่าสหตรณ์นะค่ะขอความช่วยเหลือ เราเป็นก uh, uh, ุ ã, ่มคลที่มีโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นการประสานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะเพื่อนําความช่วยเหลือบางพื้นที่ที่ทีฉันทาอยู่ตอนนี้ก็มีความเปราะบางเรื่องของการที่อยู่อาศัยในส่วนขององค์กรเขาก็ช่วยมาไม่มากแต่เราจะหาวิธีการยังไงจะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประโคนชัยขอฝากนะคะว่าเข้าใจเข้าใจ ความเจ็บป่วยความต้องาาการ น, นะเข้าถึงนะเราเข้าถึงเขาเีครั้งนะใน1เคส น, น, นะเราจบไปที่ทุกๆเคสแต่ใครเดือดที่สุดให้เราเข้าให้ถึงได้เข้าถึงให้บ่อยๆปัญหาพัฒนานะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีถ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาไม่ดีได้ให้เขามีชีวิตไปจนถึง สุดท้ายปั้นตายของชีวิตเขาให้มีความสุขเท่าที่เราจะเือได้นี่คือสโลแยนของกบชัยขอบคุณท่านก็ตอบองสมจิตพยักษศานะครับเป็นคุณนาเสนอนะตัวแต่ของกระกบชัยเป็นที่ประหลาดใจอยู่นิดหนึ่งนะครับคาว่าสมจิตเนี่ยสามีของเขาก็ชื่อสมจิตสมจิตพยักษาสตรนะครับอยไปเรียกนะเรียกก็เปลี่ยนจากนายเป็นงาน สมจิตรยยี้ยษาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือความ ใ, ใจสิ่งที่เป็นคนพบมานะครับที่ที่ได้จิตด้เจอแล้วก็คนสมจิตยปรักยษาเป็นลูกศิษย์คนมอ่อของมอจรอนะครับตอนนี้เป็นนิสิตในระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่ห้าตรงนี้อาเภอภเ ม, มืองครับ ท, ท่นพิธีกครับที่จอมกิบเอาไว้เชิญครับ แต่รัวชการท่านแคร์ดาวท่านสมรูที่เป็นัวอย่างสูงครับท่านประธานรืขา่ายแะแต่จังหวัดกับท่านผู้ช่วยรัการเอิมทหลังแต่พีน้องที่อาสายที่กระทรวงการครังผมผู้รัใช้ับด่านครับทำหน้าที่เป็นเลขาเป็นกรรมของท่านประธานเือขารับท่านประัรืยเป็นส่วนและ ก, ก็กรรมาเปิดุกอยางาครับขอได้ดท่านนิติธรเดชลงวาร์ครับ การท่านพิกรมครับจากการรับฟังการปฏิบัติงานกิทอาสาของแต่และเบอร์ที่รับฟังมาในห้องประชุมแห่งนี้ครับทำให้ผมได้รับรายลเหียนและก็มีมข้อมูลคองของพื้นที่ตัวเองในที่จะไปปรปับปรุงเสริมเติมแต่งครับก็ขออนุญาตเข้าเข้าเนื้อหาเลยว่าในส่วนของการปฏิบัติการของ เรื่องการอภิราของคุเมืองนั้นนะครับบอกตรงว่าก็เพิ่งจะเริ่มนะครเพิ่งจะเริ่มในส่วนของเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านม า, นานที่เราได้รับกาลังสนับสนุนการแขวนแล้วไปสรรหาที่มีประชุมใหญ่ไม่ต่ากว่า50คนกันได้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านม า, นานแล้วนะครับทางนั้นเราก็ดาเนินการกับการเชิญชวนประชุมจากทุก ทุกตำบลนะครับในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ของครุงเมืองนั้นมีเตตำบลกับอีกเทศบาลครับในครั้งนั้นได้รับความต้องการเป็นอย่างดีจากตัวแทนของแกรนด์ตำบลนะครับก็มารวมประชุมประมาณ6กบกว่าคนครับจากนั้นเราก็คัดสรรแกนนำของแกรนด์ตำบลก็มีปัญหาบ้างเล็กๆก็คือได้ไม่ครบตามพื้นที่นะครับ บางครั้ที่ท่านรางาน้วไม่ได้คนที่เป็นตัวแทนของระดับของตำบลนั้นๆในพื้นที่ที่เป็นเป็นคนที่ตำบลเกตนตำบลพื้นที่ดีแล้วก็ลงไปทำงานในการปฏิบัตินี้ซึ่งข้อมูลที่ตามมาก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะครับนี่คื อ, อสิ่งที่เราเจอใ น, จากกานการาการปฏิบัติงานนะครับถามว่าภูมิใจความต้อเสด็จขอบุญใจนะครับจากการเที่เดินการมาจนถึงนั้น เ่อวันที่9ที่ผ่านมาเราได้มอบเป็นอุปกรณ์นะครับเพื่อใช้ในตัวเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวใน2 2ตัวเดืนนอนนะครับตามที่เราได้คุยกันก็มีแกนนาทั้งเจ็ดท่านรวมทัานประธานและก็เลขาด้วยนะครับก็เห็นพร้อมต้องการว่าจนะบควรครอบครัวนี้สมควรนี้นะครับการช่วยเหลือเราก็ได้มอบซึ่งจากการที่ผมเป็ปฏิบัติหน้าที่ นะครับตรงนั้นนะครับไปวัชบัตเราก็เห็นความอาแตกต่างของครัวเรือนซึ่งผมในแใจว่ในพื้นที่ของครูงเมืองที่อยู่ตรงนั้นอาจจะมีครอบครัวที่เราจะค้นไม่เจอลึกลงไปยังไม่ถึงหีงกแม่บ้านอันนี้เป็นชนิงที่เรากล้าลงไปเห็นงเล็กน้อยนะครับก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสถามว่าโครงการนี้ดีไหมดีมากนะครับแล้วอยากจะให้เป็นการต่อเนื่อง ครับต่อเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้อีทุกส่วนครับก็เสนอแนะไปได้ด้วยเ น, นื้อหาเพื่อหมดเพื่อรับการสนับสนุนไม่ว่าสนับสนุนในด้านใดก็ตามนะครับเพื่อลงถึงผู้ยากไร้ผู้ยากจนอย่างแท้จริงนะครับดังที่ผ่านมานะครับบางคร้งการสำรวจตัวเรียนผู้ยากยานะจากมาา น, ะกนมีไหมครับบางบ้านบางหมู่บ้านนั่นถื่บ้านดีเลย ดาครอบครัวนี้ลอเภให้รายงานชิปครอบครัวกบนั่นคิดเอาตัวเองบางกลุล่มบาู่บมีในครอบครัวของญาติพี่น้องตัวเองอที่ยากจนจริจริงเนี่ยก้าวไ่วมไปนไปไปไนะครับตรงนี้เนีสคัญ ก, กรับก็ากให้ลท่านเนี่ยเป็นโครงการิศอาสาีนะครับเข้าไปลงทุนตรงนั้นเพื่อเสริมเสริมให้การี่ยเหลือนองและอยากที่สวนทิศทางราชการแรงงานราชการช่วยี นะครับปัญหาปัญหาในการปฏิบัตินะครับุปสรรคก็มันเกิดปัญหาที่แท้ก็อยู่ในเรื่องของผู้กระทำเป็นนักพวกเราจะคัดกรองอยางไม่ได้นะครับคัดกรองไม่ได้ในพื้ีที่ชัดเจนนะถ้าได้ผลในพื้นที่จริงในตำบลนั้นๆเขาก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับด้วยการทำง า, านะตอนนี้เรากำลังกำลัง กำัหาวิธีการช่วยกันโดยกแกนำทั้งสิคนเองเราก็จะมีการเรียกประชุมกันและหาวิธีการนะครับและในส่วนของอำเภอเมืองครับก็ปฏิบัติหนที่ของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มทำงานที่ชัดเจนและก็เป็นสิทธิที่น่าภาคใจครับขาราชการในงานนี้เช่นี้ครับสวัสดีครับขอรัรเ้วมของทนอก็ไปในการที่เนันันี่ การนมัสการท่านุณแจ้านะคะแล้วก็เรียนท่านดลมีเาคุญอันนัแล้วก็สวัสดีปัญญาแกนนาจิตอาสาในพุทธบัณเภ่อด้วยนะคะที่ฉันนางสาวนีรสุทอค่ะเป็นผู้ประสานงานแกนนาในส่วนของอเภอชมนิค่ะค่ะในอำเอชมนิคะในเรื่องของความสำเร็จและความภาคภูมิใจนะคะ สิ่งที่เราแกนนำทุกคนของอาเภอจันนุนนะคะก็คือว่าเรารู้ว่าเรามีตัวตนจริงอยู่ในสังคมและก็เราสามารถทํางานช่วยเหลือค่ะชุมชนและเราสาามรถเห็นได้มากขึ้นะคะและสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเรามีความสุขค่ะ แล้ในส่วนของความล้มเหลวและขออนุญาตเอามารวมในเรื่องของอุปสรรคนะคะเพราเราคิดว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวคะ่ะ ม, มันเป็นแค่อุปสรรคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จิตอาสาทุกคนนะคะจะสามารถนำพาและพาไปด้วยดีพร้อมกับมีที่เพียงดีๆอยา่างการนาจากจังหวัดนะคะในส่วนของบทเรียนที่น่าสนใจนะคะในเขตของเมยิกาชนี้นะคะเราคัดกรองจาก50รายที่เราสํารวจมา สิบรายที่เราให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งหนึ่งรายนั้นสิบรายนั้นน่าสนใจทั้งนั้นนะคะแต่มีหนึ่งรายทีอ่อยากมานำเสนอตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องของอคุณลุงสวัยโรมษาน ะ, ะอายุ68ปีท่านตาบอด 90% อนะคะอยู่คนเดียวบ้านคนเดียวไม่มีไฟฟ้าใช้ะจะไปไหนก็ต้องทำทางนะคะและที่สำคัญนะคะ ภรรยาเยู่หลบ้านพร้อมกับสามีใหม่นะคะซึ่งก็ไม่ได้มาดูแลท่านในส่วนตรงนี้นะคะแล้วบ้านหยุ่ในฝามาันนะคะบ้านหยุดในปฝามาันหะ้องน้ํายุดก็หยุดในฝามันเวลาไปให้น้ําก็คลำทางไปนะคะเพราะว่าภรรยาใจมีมาก เลยนะคะต้องแวะ์ทางเดินไปนะคะเราจะแก้ไขตรงนีง้โดยการไม่ใช่แค่ช่วยเหลือตุนลุกสวันะคะเราจะไปคุยกับระยางลันด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรนนงนี้นะคะในส่วนของอาเอชมีนะคะก็มีเพียงนี้ฟังอีกนิดนึงนะคะดิฉันเป็นนักจัดรายการวิทยุ น, นะคะอยู่ในคลื่นนาำรอง 97.25 นะคะจาดรายการทุกวัน สองี่สิบถึสี่ทุกฝากฟังด้วยนะคะในรายการนี้ราทำให้หน่อยเต็มเพลงของคุณ่าจากจังหวนี้นะครับตัวต่อไปครับเป็นครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับกราบพระมรดการพระพุทธาณเดียร์ท่าน เพื่อเนการตั้ง์ดีล า, าร์ทึ้นนานท่านผู้บริการสื่อการบันทบองไทยสนหมายจะตอ้อนรับดีอิริยาบถทุกท่านครับที่สมพลังนะครับซึ่งเป็นช่วงที่บอกกับตัวว่าเป็นช่วงกระแสที่แรงมากอิริยาบถนะครับในช่วงนี้เรามาถูกที่ถูกทางถูกเวลาครับแนะนำนะครับผมสวัสดีวันจันทรครับปวัจดวันามเย็ท น, นที่บุในในรมผู้การบรรเทคโนโลยีบริหารโ่ไทย หลานช า, ายเอเดอร์ซมร์สนกับมมเศ ส, ส, ส, ส, สนะครับมีสองสองานะครับซึ่งจริงแล้วนะครับผม เ, เองนะั้นทั้งแกนนําำสิบท่านซึ่งมีสมาชิกที่อยู่เป็นแกนนำทั้งหมดสิท่านได้ก็มีผู้รายการโรงเรียนั้นสาท่านนะครับ น, ร น, น, น, าานายพลวัตรหนท่านนะครับท่านนายทหานึ่งท่านอดีตกำนันสองท่านอ่าคุณครูสาท่านรวมเป็นสิบท่านได้ยังครับ น, น้บึ้งตัวประเทศแกนั้นสิบพันแลวันนี้นะครับมาพบครับนะครับก็เป็นความภาคภูมใจที่มาต่าสัของเราเที่จริงแล้วผมบังท่านคุณหมอเช้าที่ผมผมดีใจพุดขึ้นมาเลยคุณหมอที่พูดเพราะว่าช่วงก่อนเขาเป็นกอสมมาต่อนะครั บ, บ, บช่วงปีสสบกว่าบาทนะครับศิริดาสตานแ่นนะครับเป็นรูปเป็นร่างอะไรโดยทีม่มีค่าต่อแพอ ก, ก็ได้เบี้ยยังไงนะห้าสบาทนแคส่สมัยนั้นเอาไปถามคุณหมอดูว่า 50บาทไหมแต่ทุกวันนี้จริงๆว่ามีเงนเดือนที่ไปท่คอสมอร์นะครับหรือว่าไม่มีาาะะมกินอาสาแล้วนะมีเงินเดือนแล้วนะครับแล้วที่มาฝากมาก็ได้ช่วยทุนนนะ่มทนงานว่าไทยนะครับก็จะเป็นด้านพิธีการพิธีกรอำเภอระหังสายบ้า น, นโกลโนนีแดงนะครับก็ได้ช่วยงานีมากมายนะครับจนตอนนี้พอตัวนะอยู่ตัวนะรุ่นใหม่ขึ้นต่อนะครับก็ได้ทำหน้าที่ ส่สวนเรื่องการศึกษาก็ก็ช่วยที่เขตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิจารณาคดีอาสาร so ึ่นเป็นปตอปนรก็จะเป็นปปต่อการเขตพื้นที่ผูเสื่อเขตนะครับก็ทาให้หมดเลยครับเป็นคดีอาสาระหมดงั้นมันเป็นคดีอาสารี่มันเข้าในสายเลือดนะครับต้องขอบคุณท่านประธานอย่างที่เรานะครับท่านเจวนิรันดร์นะครับที่นําสิ่งดีๆพวกนี้เป็นแนวทางที่ผมว่าเป็นแนวทางเป็นเรื่องที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับวกกับการที่ผ่านมานั้น เคยทำงานร่วมการกับท่านนะครับก็จะเป็นองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งนะฮะสมตอเภอนี้คือร่วมช่วยช่วยกันกับเขานะครับเกี่ยงบันอย่างไรด้วยกันนะครับทั้งบ้านกลว่มทั้งร่างทรายหนุยแดงช่วงนั้นตรวจสอบที่เลือกตั้งสวทสอสสอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตัวผมเองได้เก็บขีดสารมาต่อการมางานนี้นะครับขอกำหนดตรงว่าเรื่องปัญหาประสาทไม่อยากพูดถึง เพราะเราเป็นาาิดอาสาเราไม่พูดถึงปัญหาเลยนะครับเราจะมีหาวิธีกา ร, รว่าปัญหาต่อสู้อย่างไรมันจะแนะนํากันยังไ ง, งเพราะว่าวิธีการสื่อสารของเรานี้สุดยอดแล้วครับตอนนี้ทั้งไลน์ทั้งเฟซ น, นะครับพวกวันนี้ติ้ง ต, งตงขึ้นมาเลยนู้นลายใครเฟซใครเยอะแยะนะครับการสื่อสารง่ายมากการปัญหาการสื่อสารกับทางหน่วย จังหวัดนันคืว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับมีปัญหาเตี้ยงกลางงานท่านเดินงากินหมู่หูทุกปักเลยนะครับแต่ก็ผมู้ป๊๊บนะครับจะได้อะไรที่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันพูดเดียวทาใจถามว่าอาหารทรายนะครับในหกกระบวนนั้นก็มีเทสที่เรากนศึกษานะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราไปดูนั้นคือว่าสี่เคสซึ่งเทสที่ที่เราดูนะครับก่อนจะไปพิธีการทำงานของเราก็ไม่มีอายาแล้วก็คือวางแผน ประชุมบางแผนงเม่ก่อนนะครับว่าใน3 4มส <te resser> <te> ี yeah. ่ส <te lair> ี่จเทสเนี่ยเราจะไปดูเทสอย่างที่ว่าสาหาดที่สุดเอาว่าสาหาดที่สุดคนนี้คือเหมือนช่วยตัวเองไม่ได้เลยซึ่งพนนี้เยอะนีนะครับมากมายเลยที่ไม่รู้สามารถกลับไปได้นะครับเราก็ได้เลือกมา4ี่เทสซึ่งแต่ละท่านนั้นนะครับ แต่ดว่าท่านหมวดจอช อ, ชอโหรถเมลลุยลอยลอลุยน้ําเข้าไปในหมบ้านที่ที่เป็นคนลุกตัวอย่างเทศของปุ้งคอายล้วนเนี่นะครับสุภาวีที่อยู่ละหันทรายเทศละหันทราเลยผมไม่คิดว่าเท็จ น, นี้จะ ม, มีในโลกนี้นะครับ<ม> เ, ปเป็นไปได้ยังไงแล้วอยู่ในตัวเมืองเมื่อใกล้ใกล้ตัวเมืองนะครับในเขตเทศบาลบเทศต์ตำบลในเขตหลังรชาชดาทรท่านพอวิจัยเก่านะครับผมนั่นแหละออกไปดูอ่ามีแบบนี้ด้วยนะครับ เรืงทนุนพื้นฐานเข้าไปนั้นผมบอกว่าโอ้โหมันมีด้วยเหรออย่างนี้นะครับนี่คือเท็จที่ผมสะท้อนใจผมผมในลายบอกโอ้ ม, มันมีแบบนี้ด้วยนะครับจริงแล้วเราเคยผ่านระดับที่ก็ไม่เคยเจอเท็ขนาดนี้แต่ที่หนักกว่านั้นก็ยังมีอีกนะครับคือนอนยาวเลยนะครับปีเตียงนะครับไม่สามารถจะช่วยตัวเอได้ที่นอนสงางนะครับจำได้ที่เราเรากระแอร์หน้าตาหน้าท้ายอันนี้ก็เท็นอนยาวเลยนะครั บ, นะรบไม่สามารถอยากจะลุกขึ้นอยากจะ มาพูดคุยนะครับก็ไม่สามารถพูดได้ลุกขึ้นได้นะครับเราได้ประคองไปมอบสินของวัตถุดิบอ า, ษษาสาเราม า, ายเยี่ยม น, นะน้ำตาเขาไหลมากเลยครับมีเป็นภาพแบบนี้ท่านไปรายงาเทียบท่านเจอเป็นภาพแบบนัน้นเลยน้ำตาเขาไหลมากเลยผมเสีอท้อเลยผมแสดงว่าเขายังไม่เคยมีใครม า, รายเยี่ยมเลยเหรืออะไรแบบนี้นะครับเขาภูมิใจนะครับก็แม่บ้านเขาเนี่ยผมว่า คือขอบคุณมากๆนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามานะครับก็ไม่แน่ว่าเรื่องการชาติใเขาดีไหมนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ท้องเราและกิจอาสานี่ไปที่ทําให้เราสะท้อนเราก็ทําให้เขามีพลังใจ ใ, นใจนะครับที่ยินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นงานบุญจริงๆนะครับอันนี้คือสายบุญจริงๆที่พวกเราร่วม ก, กันทํานะครับตรงท่าคลุกใจนะครับในกิจกรรมนี้และสิ่งที่ บอกว่าปัญหาใหนที่จะมีนะั้นอย่าให่มีนะครับเพราะเรามีวิธีการพิจิตรอยู่แล้วนะครับข้อตามของเราในพระท่านปัญหาในท่านมีเพียงวิธีการว่าเราจะสื่อสารกันยังไงนะครับซึ่งจะมีเทจที่สําคัญอีกเยอะแยะนะครับที่เราจะต้องไปติดตามไม่ว่าจะต่างด้าวยาล้านอะไรพวกนี้มันจะมีเยอะแยะนะครับเป็นภาระให้ตายาย อายุ80 90เรื่องแย่นะครับโดยนว่าสิ่เหตอทหารทรายนี้ถ่ายแดงองโหนะครับท่านพอวิชัยท่าเนเคยไปอยู่ตรงนั้นก็นจะรู้แล้วว่ามันรเยอะหมือนกันนะครับตรงนั้นอันนี้คือเพลีย เ, ย เ, ยเ็นย่อยนะครับส่วนวิธีการนั้นที่เราไปนั้นอันนี้คือปลายเหตุ พิธีการแก้ไขเจร่แนะนาที่รัฐที่เป็งเป็นเสน่ห์และต้องดึงนะครับเร่งไหนที่ที่ว่าเขายะพูดตเอได้นครับเสรวัสดุ้าไปนะครับคนที่พอพูดัได้ซึ่งวิธีไหนทีเองก็พยายามจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นหลักสูตรระยสั้นเขาเรือกรสังเขาเีกว่ามีน้ที่จะพูดอยู่แล้วแตรโซนที่าทางสายจมีคนพวกไว้วางนะครับทาให้กว่าให้สินให้พอดเสริมเขวาี้หรือใคร ก็ไนะครับเพื่อไม่ติดแงบนึงนี่คือแนวทางแก้ปัญหาเราจะไม่เอาปลายเหตุอย่างเดียวที่เอาพ่อให้ได้จบนี่คงจะไม่ใช่นะครับนี่คือแนวทางที่ผมคิดว่าต่อไปทั้งแกนนำและผู้ท่านนะครับคงจะได้ลดรุ่นด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับให้ทําตามจากท่านในหลวงเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเรามาถูกทางถูกเวลานะครับก็ขอให้ท่านมีพลังใจแล้วก็ขับเคลื่อนกิจการมนี้ไปด้วยกันทุกท่านให้มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับขอ คมกานรับคุาวารนจันะรวงนะครับท่านเป็นกรรมการเขตพื้นที่วิทยาเขต2ซอมสมัยพรอมกันกับอดสามสมัยนะผมเป็น2สมัยพร้มท่านท่านเป็นสาต่อไปครับท่านอภัยเลยครับเขียครับเชียกันหน้าเลยครับนะกดปฏิกาสามนาทีนะครับแล้วก็ช่งนี้หลายท่านก็มองทางแล้วมองทางแล้วเขียนครับ ทำไดก็รายค่าท่าไม่ทำทำพูดทำไดก็รายค่าท่าไม่ฟังคำก็ขอกราบนมัส ก, การ่พระเด็ร พ, พระมนตหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสูงราบเรียนท่านรอสดรนิรันดร์รคุณทธนั้นพร้อมคณะทีมงานท่านประธาน อินอาสาคณะนัก ก, รรการอินาสาทุกอำเภอทั้ง23อำเภอครับผมบุญเรืองสม ง, งามจากโนนสุวรรณผินพื้นไร่ผลไมยรสหวานงานรักการผ้าไหมคุณบ้างไฟน่าชมดุนนงโคพันดีและมากีย่างพา ร, รายังมีลักกีฬาหเหรียญทองโอลิมปิก ครับในวันนี้ผมมีความประทับใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับคณะทำงานอินอาสาทั้ง23อำเภอแต่สิ่งที่ผมและท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในวันนี้ในครั้งนี้เดี๋ยวนี้ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกราบขอพระพุญท่านด็เตอร์นิรันดร์อุทานัน ก็ขอเสียงโกรมเงเป็นการให้กำลังใจกัน่านไหมครับถ้าท่านเป็นนักประสานในเรื่องของงบประมาณถ้าท่านไม่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีศักยภาพเชื่อหรือครบว่างบประมาณพวกเราที่จะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ดันั้นพวกเราโชคดีที่เป็นชาวจังหวัดบุยีรัม นะกเมืองปราสาทหินถินภูเขาไฟผ้าไหมสวยเรือวัฒนธรรม ท, ที่เต็มไปด้วยสักจภาพองคลพระกรที่เก่งเด่นมากไม่ต้องบรรยายมากจะนั้นในวันนี้ผมอาจจะมาในรูปแบบของหลายๆท่านที่เอ่ยของแต่เราหัวข้อนี้รองเกี่ยวกับการทำงา น, นทุกที่ย่อมมีอุปสรรคและปัญหาแต่ที่ไหนมีอุปสรรค และปัญหาที่นั่นเป็นทีหมาแห่งความสำเร็จฉะนั้นคุณภาพคุณวุฒิสาคัญนักวุฒิเป็นหลักทําเป็นแหล่งแต่งสังสีคุณวุฒิสูดล้าแต่ถ้าธรรมะไม่มีก็เอาดีไปไม่รอดตลอดทนฉะนั้นพวกเราซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านมีความพร้อมเรื่องภาะวะของความเป็นผู้นาที่มีจิตอาสา เต็มเตี่ยมร้อยเเซเพื่อที่จะดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้โอกาสก่อนท่านฉะนั้นในวันนี้ผมประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้รับงบประมาณจากท่านรอสดอดรีลาคุณธนันเป็นอย่างที่ท่านเป็นนักประสานผู้ประสานงบประมาณในตรงนี้เพื่อที่จะให้พวกเรา ได้มีโอกาสทำงานโดยซึ่งได้เอาคุณธรรมนำยิตอาสาทับกอบขอกราบสัสดีครับับกระดองขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับโอ้โหหลอนเพราะาใหม่ฟังนะรู้สึกประทับใจเชิญอันดับต่อไปลยครับเชิญครับเชิญครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยนะครับในเ่องา ทางรัชการอาวุธเจ้าท่านปัะธานดรลภาษาศาสตร์ประดัแล้วและแกนํำเอาแต่ละเพื่อผมเสนอแท้จากคำเมื่อกี้ก็เพื่อการ เป็น น, ปนันนยยกพูบบดรบริเวณโฉนดนาเป็นเป็นเป็นายโยงกันสายตับบัวสายตับพินระเบบเป็นคนเดที่ทำงานเพื่อสังคมสำหรับของประคัมเป็นอาเภอแม่ใหญ่หหก็ประมาณ5 5ตำบลผมก็เป็นผู้ประสานของอำเภอก็เลณตั้งตั้งตัวแทน ของแต่และตำบลให้ทีตำบลละสองคนเพื่อเข้าไปหยุดข้อมูลถ้าจะว่าจะมาตนนั้งกระสุนไปยิงก็ควรจะไม่ได้ข้อมูลแท้ที่เขาคิดว่าถ้าเราจะค้นหาสิงที่เราอยากจะเข้าไปเข้าไปช่วยเขาคิดว่าน้าจับทายออกไปก็เลยตั้งตำบลละสองคนอพอลงลงไปตรวจข้อมูลเนี่ยทาง ตะวันตรแบบว่ า, าวเอาไปแ้วประมาณ50คนรู้สึกพร้อมๆจะได้ประมาณ100คนอพอดีมาระยะหลังเขาบอกให้เรลงไปสัตกกีมลงไปช่วยเหลือนะพ่อก็อยากจะเล่าอันนี้ว่าพอเราลงไปที่ผมก็ไม่ได้่ซับขัดลงไปที่พีมเข้าไปแล้วได้เห็นโอ้โหกนะับบางคนอยู่นี่คิดว่านี่คือชีวิตของรุ่ผมก็เลยนึกถึง ขอเขาพูดฉาดงี้เลยนะดถึงโพชการาำไมเขาเกิดเอามานั่งกินข้าวข้าวมัเก็บมาไม่ได้กินข้าวพรกินข้าวมากๆใจเดิคนคิดไปที่ที่สุนัขเจ็ดตีเขาก็เลเลี้ยงสุนัขสุนัขนก่กินข้าวรุกอาหาร ม, าามีมากสมมติเขาเป็นมนุษย์ทำไมเขากินแย่บสัตว์เป็นราชาคิดไปกินไปกินมาข้าวไม่ย่อยตัวกาคืนตายตาไม่เกลี้ยงท้องหมา ท่านเชื่อไหมว่ามีมนุษย์อยู่ในประเทศเราเนี่ยอนหาถาเล่นแร็กว่าสันเดลฉันตรงนีเพราะสันเดลฉันโรงเีพวกเจ้ของจะมีห้องแอร์แน่นอนแต่ที่ที่ผมลงไปเมื่อ2สัปดาหันเนี้อาเป็นญยายแก่ๆชื่อเ ย, ยบุลอยู้ใกล้ๆอำเภอนายอยู้กใกล้ๆอำ น, นต่ออายุ 8.4 ปี ดูคนเดียวโอ้เวลากินต้องทาขข้าวใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้มากี่ปีแล้วก็อยู่ใกล้ๆเจะเข้าไปหน้าหน้าฝนคาถึงเตนเข้าไปได้รมาร้อนคไนทุกคนเดินเดินกเข้าไปมีผู้ใหญ่ในทีมงานผมเนียตอนแรกผมบอกว่าเอาดีไหมให้ใสแล้วก็ควรจะจัดทีลรักษาคนไปช่วยแล้วแต่สิ่ง่นอ นิ้วหญ่่ผมเปเห็นแล้วดีบเยอะผมสละให้เลยสละให้บิ๊กมืคบังคับคนึงดูเหมือนกับเป็นที่นอนเพ่ตางไว้ทั้งไก่ทั้งหมาเต็อยู่ตรงนั้นเี่ยเขาอยู่นั้นเวลาที่เข้านะผู้ใหญ่ผบอกว่าผมสละคนตะบนผมไม่ต้องช่วยเพราะดีบว่เยอะก็เลทานทาถ้าม่ช่วยแล้วมีทีมงานองคน่ผมว่าเอาอย่างงี้ถ้าเราแต่ช่วย เราลองวาของวัดไปไหนให้ผมเนี่ยไปติดต่อวัดตัย่งเจ้าว่าขอบุขออาหารขอสารทานจากวัดบางวัดหรือว่าของที่จำเป็นเช่นพวกแป้งถัเนี่ยเราบันทึกไว้ลตรงไหนที่ว่าเราแนะนำเข้าไปช่วยล้วก็เอาตรงนี้แลยเข้าไปช่วย เพื nói, ่ออยาน้อยจะได้บเาตต้นเพราะไปเห็นภาพคิดว่าโอ้จะมีชีวิตมนุษย์เรายั้แค่เราเองเยอะมากเพราะนั้นผมดีใจจริงๆว่าจริงเราเราก็มีอาติาแต่พอีเห็นเราการช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นคุณปรนเป็นการสืบมรดกทีท้งผครับต่างไเลยเอั่ไปครับอ่า ก่อนเลยครับเอ้าไปศิลปินแห่งชาตินะครับาจากพระพาราชัยพอเสร็จปรดมือนะครับมีท่านใดที่ไม่รู้จกักมัางครับผมจะแนะนำตัวเลยครับจะไม่ได้ทำองค์คู ทำไทายมีมากมายน้องพี่มีศิลปะดนตรีมโหรีเพื่อเมืองมีมมเพลงกันตรึงโบราณเพลงกันตรึงมาโรบราณตำนานเธอเลือล่องลือพี่น้อง ตอนรับง า, านเทก า, น, ทา น, น, นะครับท่านผู้ว่ากระทรวงศึกษาธิกาีท่านแข่ผู้เยี่ยมที่ร่วมกับท่านครับกระผมในเป็นศาสตร์บุญรังหรือเกียรติศักดิ์สอสบายทองนะครับศิลปินบณัณฑิตเทศน์อี่าศิลปินแห่งชาติผู้ระจายชื่นประมรนนักจาร ปี2557ศิลปินสินองคำปี2 5 6บศิลปินระมันนานาช่าระดับโลกที่กรุงปักกิ่งมองโกลี3ประเทศระดับโลกที่กรุงปักกิ่งมงโกีทจริงแล้ววันนี้มีคิวเชร์ที่จังหวัดลบบุรีนะครับโดยงานพ่อหลวงนะครับ 4-5 นามแคนเส้นถึงแม้ว่าต่างประเทศเชิญนาบประเทศนะครับ แล้วก็คิวว่าจดยาแต่ก็มีใจรักในงานตรงนี้นะครับไปว่าท่านดรธิรานมาสานไปใ ห, ให้ให้สิริปินร่วมด้วยยินดีนะครับยินดีและรู้สึกภูมิใจวันนั้นที่มีการประชุมท่านก็ไปให้กําลังใจแล้วก็มีพี่น้องชาวอำเภอพรกวายชันะครับไปร่วมมากมายแต่วันนี้จากที่ทราบข่าวก็คือมรัมารับนโยบายทำแต่บ้างอำเภอที่ไปก่อนแล้วเสร็จ ก่อนแล้วนะครับแต่พระพลายใจวันนี้มารับนโยบายก็เลยยังยังไม่ได้ทราบส า, หหาเหตุก็มีหลายเคสนะครับมีหลายเคสแต่สุดยอดของทุกท่านที่ว่าวันนี้มารับนโยบายเต่ได้นะครับได้ได้ข้อมูลมาเลยที่ว่าเรามีจิตอาสาที่จริงก็พระพรายใจจะขอดนะําเนินตามรอยท่านอําเภอที่หลังนะครับขอบคุณมากครับ ็เป็นวันนี้ครึ่งหงานานะครับรับเป็นอาจารย์เรียนศักดิวว์นะครับโปรยรำเรื่อว่าซอสไส้ตอนะครับให้เกียรติมานะในวันทีวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาววิรัมของเรานะครับอันนี้เจอตัวเป็นๆก็บางบางบาทีถ้าแต่งชุดอย่างนี้ก็บางท่ทานอนาจจไม่ได้นะครับอาจจะจำไม่ได้ เจนท่านต่อไปครับอรองรัฐมนจรีพระกุศลเรียนท่านประธานโรเจอร์นลันดีดท่านคณะกรการท่านอาจารย์ครูท่านมหาลัูอาจารย์เกดเรียนท่านคุณเกดประธานของจอังหวัดระยวงครับ ผมปราธานประจาละตุนฮ่องกีนายสายันต์นูลอดีตผู้น่งการโอเมาแล้ปีครับมีความภูมิใจวันนี้อําเภอฮ่กีมากเก็นเลยอ่สิบคนแล้วก็แถมพนักยาแลูกมาด้วยครับโอเคยมไรพอท่าไปเท่านี้การพิการครับเพราะจะดความภูมิใจก็คือว่าเราได้เห็นรอยยิ้ม ความภูมิใจในค่าต้านตาของเขาที่พวกเราไปเยี่ยมแววตาแห่งความมีความหมายของพวกเขาทุกเคทุกความยากลำบาทุกอย่างที่ท่านเล่ามาแล้วอันนี้เราก็ภูมิใจเราอย่างน้อยเราก็คิดว่าอันนี้สมมันมีจริงนะครับเราก็คงยากแตอันนี้ผบ้างเราก็คิดเท่านั้นนะครับอ่า ข้อสองบอกถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นลักษณะจางนี้ก็คงไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีแต่พวกผู้นาถามว่าทำไมไม่ไม่ผ่านเข้าบ้านมันจริงหรือเขาจะช่วยจริงหรืออะไรนี้ทำแบบนี้ถามบ่อยครับเป็นปัญหาที่ต้องตอบคาถามกมก็เล่าไปตามทีุ่มฟังจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าโครงการนี้ ท่านผู้นี่าทนประธานก็ผ่านตรงมาทันจินอาสาของระดับอำเภอเลยก็ทิ่ไม่ไปเรื่อยนะครับทางผู้ผู้นัทก็ถาว่าเขาเป็นตาแหน่งอะไรล่ะเขาเป็นผู้นำใหมู่บ้านเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เกิดโหก็เลยิกเข้มผมก็เลยบอกว่านั่นแหละท่านเป็นที่ปรึกษาโดยตำาน่งผมเอาเลยเกิดความหุ่ใจวิ่งการุณิกะ คงไม่ผิดนะท่านเนาะบอกเขาะว่ที่ศกึกษาตัวนั้นเงเนาะเขาก็ภูมิใจขึ้นมาเขาก็เลยไิ่กตามเอานี่ม่ยากจะไปไหนมาไหนก็คณะของผมนั้นถ้ามีปัญหาแนอเภอระดับอำเภอแก้าําสิถ้านเนี่ยจะโทษหากันเลย ไ่เยียมกงเคุณรนเกศตรงนี้กำลังเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ผมใช่ น, าา น, นักกรนีและทุกวันนี้ผมก็มาทานท้าด้วยกันอยนะครมาตุ๊วันทานข้าประเกเป็ตผมใช้สำนักงานเป็นศูนย์เป็นศูนย์ประสานงานขอ ง, ของจินอ า, าสาระชาชนบริษัทอีที่บา้านผมเลยขึ้นไปก็เลยอย่างโก้ผมก็เลยนะับ ประชุมนัดคุยนัดทานอาหารกันอยู่ที่บ้านผมเป็นประจำนะครับแล้วออกเยี่ยมเย็นกัน่างนีรู้สึกว่าป่อยอ่าว่ารงลายมาก็ค้งจะป่วยนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องเรื่องโทรศัท์รงายแต่ว่าคณะผมเก่งรูปสาวเก่งเรืนครับเีนี้ก็ง่ายว่าไฟบางๆมันต้องเรียนลายป่วยนะครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่และแก้ปัญหาอย่างนี้ยืนและตลอดไปก็เช่นกรณีที่ว่าคนไม่มีบัตรประจําตัวไม่มีเล่นคือาหลักไปถึเรียนบ้านก็มีเยอะสื่อดีดีดดนั่นก็ตามบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีบัตรประจําตัวเราไปพบโดนเงินเราสื่ถามโดนเงินอันนี้ไม่ต้องรอปภาชนะพวกเราเนี่ ค่แค่ว่าเราก็มีความรู้หนึ่ ง, งเดียมคนเลยผู้ใหญ่บ้านรับรองครูรับรองเพื่อนบ้านรับรองหมอตำแยรับรองญาติพี่น้องสายเพื่อรับรองอะต่างๆเรเก็บคนมาแม้พ่นกรจครับเราไม่ต้องรอภาชนะครัวนี้เราก็คือว่าคำแนะนำภาชนแต่ว่ารก็ทาได้เลยผมทาลักษณะ น, นี้นะครับก็ก็ได้เสด็จมาก็ก็หลายรายนะครับง ท่านถ้าดำเนินการได้อย่างนี้ก็ทำไปนะครับไม่เป็นเรื่องยากนะครับต่อไปเรื่อ ง, างการา ก, กาน อ, อะไรเนี่ยปัญหาที่เกิดปัญหาที่เกิดแล้ววิธีาไนานแก้ไขเนาะหรือไม่มีมมผมว่าที่ผมทำไปเนี่ยไม่มีปัญหนนะครับไม่มีปัญหน มีเต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงมีใจจริงนะครับหวังมุ่งส่งวังอันนิสงกันนั่นแหละแล้วปัญหาจะไม่มีมาเลยครับกนครับเอาละครับตอนนี้นะครับองคาครับครับเริ่มต้นไปมาด้วครับมาด้วยเชิญครับเ่ตไป สวัสดีครับไม่รูเลยไม่รู้โหลค่ะรสุาพระปิจาแล้วก็อย่างอันับต้นสุก็นกรรมการตรวจแล้วก็แคนาคมาผู้้บังคับบัญชาของอาารย์รัวปุณาิอารย์ในนามในขา ประชาชนอำเภอเมือจังหวัดระยองนะคะก็จะมาขอสรุปสี่หัวข้อนี้เป็นเรื่องเดียวให้ทุกท่านได้รับทราบแค่เซตเซิร์เท่า น, นั้นนะค ะ, คออะก็กเอาแต่เรื่องความสาเร็จของเราเนี่ยกว่าเราจะมาเป็นจิตอาสาประชาชัฐแกน่นองอำมได้นนเนี่ยมีเพียงแค่อาจารย์ย่างยืนและทุกทนเพียงสองคน กว่าจะค้นหาแกนนําอีกแปดคนที่เพื่อให้ครบสิบคนทิฉันกับอาจารย์ได้ลงพื้นที่แต่ละตำบลเพื่อให้งานเพราะคุณอําเภอเมืองมีทั้งหมด19ตําบลแต่ว่าเราลงมาแค่แตดตำบลเพื่อให้แต่ละตำบลนี้เกิดการบูรณาการร่วมกันเชื่อมโยงงานร่วมกันถายเพลงงานเข้ามาหากันพอได้เกิดแกนนำสิบคนเราก็ามานั่งคุย ตั้งทีมปฏิบัติงานกันขึ้นมาทีมปฏิบัติงานนะคะทีมปฏิบัติงานตรงนี้ก็หมายถึงว่า8คนนี้จะต้องไปหาอี ก, อก5คนที่จะมาเป็นจิตกเกอสารเป็นลูกทีมของทุกคนรวมแล้วก็จะเป็น50คนของอําเภอเมืองแต่และคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่จะค้นหาได้ง่ายที่จะมเด็จิกเกอาสารการค้นหาข้อมูลค้นหาผู้มีภาวยละยากลําบากเราจะต้อง ทั้ปอปอคอมพิวเตอรและคล้องผีทุกที่เพื่อจะไปเอาข้อมูลมาแล้วมานั่งวิเคราะห์กันแปดคนสิบคนก็มานั่งวิเคราะห์กันได้หมดแล้วดูว่าอันไหนที่อยู่คอมพิวออันไหนที่เคยได้รับการช่วยเหลือเราจะตัดออกไปแล้วเราก็จะลงไปหาไปเยี่ยมธรรมดาแล้วเราก็จะถามข้อมูลที่เราได้จากผูตก้ตรวํารวจนี้พวก็คือข้อมูลจากชาวบ้า น, นเองนะคะชาวบ้านจะชี้บอกเรารู้ว่าจุด น, นี้จุด น, นี้ เครัความ่เหลือคือเทจที่ได้ตอข่าวก็คือคุณตาหนึ่งบวรเราอันนี้ไม่ไดเามายกเป็นเป็นความสำเร็จนะคะแต่มันเป็นมันเป็นการจับเพื่มสังคมที่หัวหน้าทีมได้เคยพูดไวในบทว่าเราคือจุดเหี่ยงนะคะเราคือจุดเหวียงที่จะเวี่ยงานของเราเนี่ยให้สังคมได้รับรู้ได้สะอนถึงการทางานของพวกเราที่อาสาภาครัฐต่างุจนรัง เทปนี้ขึ้นมาเอ๊ะอนทุ่มตาหนุ่มนี่คือเราจะไปเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งเราจะไปเยี่ยมเฉยๆเพราะเรารู้ว่าบ้านหลังนี้เขาเคยได้รางช่วยเหลือแต่มานานมาแล้วเป็นแผลกดทับที่หลังหมดเลยค่ะวันนั้นเราลงเรามีงานปฏิบัติงานเุิเสริมกำลั ง, งนะคะเราจะเรียกชุดเราว่าเพิ่เสริมกำลังลงไปช่วยจังหวัดกระสรจะมีอาจารย์และดิฉันลงไปชาวบ้านก็เลยชี้ไปที่บ้านทุ่ตาหนุ่ว่า คุณมาตรงนี้อาศัยบ้านอาศัยคนเดียวมนมีได้น้องพอเราเข้าไปถึงนะคะนี้นะคะมันถล่มลงมาเพราะว่าเขาฝนที่มันกลมไหลเข้ามาแล้วพนั้นฝนตกด้วยอย่างพส่งใช่มคะที่ว่าน้าท่วมตรงนั้นบ้านคุณปันนน้ากัดกินไหลเข้ามาแล้วเพียงนอนในเียไม้ มาพิมพ์เอกสารครัหนุ่ยหมนที่คุณหมอพูดันนี้ว่าพฤติกรรมของผู้สูงอายุใช่ไหะระบบายจะเปลี่ยนไปแล้วคุณตาปัสสาวะยังไงจีใส่ถังค่ะกีใส่ถงแล้วคุณตากินข้ายังไงเปิดรูมีไ่สองแล้วคุณตากินน้ายังไงน้ำฝนแล้วขวดที่แกใส่น้ำอ่ะามข้าสุกพมากมาลเกิดข้าวเ้อใจว่าทาไม ผู้สูงอาเนี่ยเป็นสังคมที่เราควรน่าจะยกย่องไว้แล้วก็เป็นต้นแบบของเราใช่ไหมคแต่ลูกหลานของพอิดอาจจะเพราะว่าท่านท่านม่มีครรัวหรือว่าน้น้องไม่ได้สนใจหรือว่าสนใจไปแล้วอาจจะมีปัญหามาภายหลังการบอข่าวองรนี้มันก็เหมือนเป็นแบบสองคมกับการทางานถูกไหมคะผลดีของคําสเร็จก็คือแรงนาของเราค่ะแต่ผลที่กะ คือหน่วยงานท้องถิ่นใช่ไหมคะถามว่าใ น, นภาษาอำเภอเมุองเห็นใจไหมเห็นใจน ะ, ะเห็นใจแต่เราไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราก็ดูแรลเกี่ยวของสังคมถามว่าเราแก้ปัญหายัางไงเราก็เลยการแก้ปัญหาด้วยนะบ้าบเราจะรอ สมรรถพละโดยเราภาษาจะทีมับนบลหลักเทเราภาษาประาปชาชนเราภาษาในกลุ่มเทภาษาในกลุ่มแรงของเราว่าเราจะไปทำํทำร่วมทาบุญมอบสิ่งของกับเด็กคนนี้เด็กคนนี้ซึ่งเป็นอยิ ง, อยงนี่งนี้เราก็ได้อธิบายไปผลปรากฏว่าของสิ่งที่งานตอบรับเราค่ะของ ขอาขสีท่าเจออะไรแบเจอนะคะอาจารย์ขอใช้เวลาให้พี่แ้ได้เลยไม่ทำตัวตร้ง้เนะคะขอใช้เวลาสักนิดเลยเราเจอหัวหน้าด้วยนะคะหัวหน้าเป็นขาไปได้ลยคเราะเป็นนักพิพสารเป็นคนเลยจเุดแกนนวแกนกันมีเสื้อทีมด้วยเนี่ย ตัวนะสรกบเ้าบาทะัขอมออไมให้หัวหน้าแคปหนึ่งแมวสดนะปวุเจ้าหนั่มนอ่อแม่แม้ใได้กับแม่คนนี้น้องโน้ตนะคะน้องโน้ตเป็นวิทยาน้องทำงานอยู่้องถิ่นซึ่งตรงนี้กำลังหนักใจปากปากคณะกรรมการจังหวัดด้วยหัหน้าในปานที่ ให้พวกเราไปเรียนพันนายกด้วยอันนี้ท่านเป็นสอบตจับหวัดกระแตโพงนะคะท่านทาพันกระแสสีเนี่ยค่ะมางานตื่นเต้นนี้นายกไปร่วมนะคะจะไแจกของพอดีเคสสําคัญก็คือไม่มีผู้มีบัตรประชาชนท่านนายกไหนเลยค่ะนายกมีหรือเหล่ามีนะคะนายกยอมรับและท่านมีปรับมุ่งมืออันนี้ก็คือพี่ที่แกอยู่ในพื้นที่ตกระสานพิจิวัดน์อินทรนะคะพี่คนนี้ เคสแต่ละเคปมีหนักหนักทั้งทู่เลยนะเทสหน้าเทสนะคะเทปตะหนูนะคะพี่คนนี้ได้ได้พี่คนนี้กะต่เป็นผลงานของเราออกมาเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้ยืนเตรียมตัวท่านเป็นผู้ประสานงานของ2องอำเภอเมืองและ5โซนและหน้าเื้นที่แ้นะท่านเป็นนักออกแบบมาแล้วเป็นออกแบบแผนต้งแบบของพื้นเลยนะนี้เป็นมสองมของเอ่อคนในเมืองคนละแบบนั่นเองนะ กบาลอสอมอของชุมชนฝั่งตะลมงแล้วนะคะวันนี้เป็นผู้ช่วยใหญ่บ้านตำบลหลักเกตน้องน้ำฝนตโลลังนะคะมาโนลังค่ะเก็งนะมันนี้เก็งมากค่ะวันนี้เป็นอ่าอ่าในการประกว่างๆอ๋อเป็นอสอมอนะะที่สะพายสมโ น, นลังเคสนี้ก็เป็นเคสคุณยายเป็นมะเร็ง น, นะคะคุณยายเป็นมะเร็งนี้เลยมี ขาจากตะบนเมืองมอบเงินให้2องบาทก็เลยเอาไปมอบเงินยายเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้ท่านเป็นอดีตสารวัตรตํานานท่านบุลอดอินทราลัมนะคะเทปนี้มีคนไม่มีบัตรเยอะมากนะคะในในในตะบนบ้านัวเยอะมากไปเจอ เ, จอเจอจยอะจริงๆค่ะขอบคุณนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของศิลน้าน้องคนภูวัตวงเมีย ก็อันนี้ก็คือความสําเร็จของของพวกเราแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจกว่าเราจะได้มาแต่ท่านนี้ยา่างลำบากจริงๆค่ะเราต้องลงมือที่เอกก็นั่นงบก็ไม่มีนะนะักงบยังไม่ลงให้เราอาจารย์มับนพาเรเองเพื่อให้พบกับ8ปท่านนีนน้ต่อคุนฟ้าที่มีพวกกระเท่านนี้นะต่อคืน ด็อกเตอร์นิรขอบคุณแกนนาอำเภอขุคนกความสุเสร็จในวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่อเภอเมืองอยู่ที่ทุกอเภอของจังหวัดบุรีรัม์อยู่ที่แกนนาจิตอาสาและจิตอาสาตบลกขอบคุณค่จัหวัดขบคุณคขอ่ะคุค่ะบคุณอต้อนบไปครับเ่อนครับเวลาบนออะนะันงก็สังกรสังอประมาณสัก1ินาทีนะเดียงคับเพีย คือคนอื่นมีผู้นำเจ้ามาท่านพระเา้ามาพูดให้ประวัติฟังว่าท่านก็เป็นเจ้าราที่พัฒนาชนชนให้ได้ก้าวหน้าพัฒนาเลยก็ขอกราบพระพุทธเนท่านมหาแสงจันทร์ครับท่านเจ้าว่าวัดโรขันทิท่านขับเครื่อนหลายลูกกาในการับเครื่องชนชนในตระวงท่านมีหลาย่าตที่านจะมาเล่าบอกว่าท่านกับเครื่อนอย่างไรขอกราบพระเจ พ่อตาเป็นคุหลวงพ่อเจ้าพนตัญญาผู้ดีนะฮะเราออกมาให้พรและหยอกจะเสร็จแล้วเห็นท่านหลายๆท่านก็สู้เป็นที่มาถึจุดนี้อ่าธมาก็อยู่กระสังประสังเกี่ยวกับจิตอาสานีก็ ฟังแล้วก็ชื่นใจแต่แล้อเมือไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จที่เกิดขึ้นอุนัสรรคความล้มเหลวแล้วก็ที่เห็นพโอเนขึ้นมาใหม่ที่กระสังก็มีแต่ผู้มีมีบาทมาไปเห็นโอคื อ, อไม่ได้สวัสดิการอะไรเลยของรักบางท่านเป็นผู้สูงอายุหลายท่านเลยหลายท่านเป็นผู้สูงอายุไม่มีบาท สถานการหรือว่าของผู้สูงอายุเบี่ยเบี่ยยางชีพของผู้สูงอายุท่านก็ไม่ได้ทาำรองพยาบาลต่างๆได้สามคนท่านไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะไม่มีปากอันนี้เราเคยได้เจอเมื่อสักครู่ได้เห็นว่าบางคนมีอาตมาก็มีหลายท่านเหมือนกันอาจารย์ก็มีนะอีกประการหนึ่งที่ไปเจอที่วัดเห็นตัญหานี้มาหลายปีก็คือ่า ผู้สูงอายุเนี่ยที ha, ่ว right. ัดตั right. right. yeah, yeah. ้งโรงเรียนผู hmm. yeah. hey. Hey, hey. way, ้สูงอายุมาแล้วสีปีโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งใหม่ๆยอมเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็มองอะไรให้ให้คนแก่คนเฒ่าไปนั่งเรียนไปเรียนอะไรยังไงสมุดหนังสือเอามาจังไงอาตมาก็เลยบอกว่าให้ยายมาที่วัดเออมามากินมาด้วยกันมานั่งด้วยกันที่วัด ส่วนนอนด้วยกันแล้วก็นัดหมอมาให้เช็คสุขภาพให้หมอมาบรรยายมาบอกว่ายายอาหารแบบนี้อารมณ์แบบนี้ความคิดอะไรให้หมอมามาให้นําดีกวาอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เหงาบางทีท่านก็ไม่มีใครคุยด้วยตกลกับแมวขึ้นกระไก่ไล่ไก่ว่ายน้ำเย็นๆสักหน่อยอย่าเนี้ยเป็ต้นก็มาวันทำกำลัยินแย้มแจ่มใสทุกท่าก็เดินได้ อันนี้คือส่วนหนึ่งและห ล, หลายหลายส่วนก็เมืนกับท่านผายที่ปัญญาณมาตับขอ่าวเราแจ้งกันหาก็เลยไม่ไม่พอเราเป็นส่วนนั้นก็ไปไปกันแต่ที่เพิมากนิดนึงก็คือจะมาไปเห็นที่กำลังจะท ำ, ทำทำมาแล้วประมาณสองกือสามปีก็คือติดกระพรา้าอาตมาก็เคยคุยที่รองบันกระสันปรานให้เป็นกรราามการด้วยกรรการ สุกับาวะระดับเลยไปคุยว่า น, นอกจากระดับคต่างๆแล้วให้ดูเด็กกำพร้าสักหน่อยเด็กกำพระนะ้าเนี่ยตอนที่อยู่กับตายายพ่อแม่ผยางกันพ่อไป ม, มีครอบครัวใหม่แม่ไป ม, มีครอบครัวใหม่ที่าตายายตอนเด็กๆ เ, เขาไม่กล้าทําอะไรก็อยู่กับตายายคอยดามิสยัย บางครอบครัวพา ย, ยายเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กไม่รู้จักพึ่งใครเร า, าเป็นปัญหาสังคมนันเด็กคนนี้โตไปแล้วก็นิสัยเสียนิสัยแย่อย่เีป็นติดอะไรสักอย่างเขาปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่ไร้แรงเพราะเขาจําไม่เชื่อใครเลยเขาจะไม่ฟังใครเลยเพราะว่าไม่มีใครสนุนเขา อตาตมาเเลยทำงานเนี่ยส่วนนี้ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่กับอตาต ม, ม, มาหารายหคนเมื่อเช้าก็ได้มปีกับพอ้าังวัดท่านก็แนะนำบางส่วนไปโนชื่อจันในก็เด็กพร้าบางส่วนก็ให้บวดวก็ได้แต่ว่าที่ยังเป็นโยมอยู่ก็คือห้าคนและที่วัดอตาตมาทไมท่านหลายใจเดว่าที่วัดตัวต น, นเนสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนมาลีาเพราะว่าเด็กบางส่วนที่เป็นเด็กพร้า ไม่ได้จบป .6 ก็มีอยู่กับายาพยาเปนไหนพี่เขาต้องดิ้นรนเป็นต้องดิ้นรนแล้วไม่ได้เรียนเมื่อเขาไม่ได้เรียนไปส่งและรับห้องมาสองสองไม่นาเพราเขาไม่มีพอหกเลยจำเป็นต้องเอาไปเองต่อมาแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วนะมาตรวจนะแล้วเราพ่อจะดูเองจวนเด็กคนไหนนี่จบป .6 แคหรือว่าอยู่ปสามปัจนอยปสาอยู่ ปสาพปสี่ปห้าอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับบ้านโรเรื้อรังที่น้องเยอะบางท่านโรคเรื้อะไปอยู่ไกลก็อยู่กับป้าอยางนี้ป้าก็มีโรคตาเยอะเขาก็เมื่อครับอะไรตัวเชื่ออะไรสักอย่างที่ฝังอยู่กับเขาเกิดปมได้เก็บเขาก็้องมาไปอยู่กับว่าก็ส่งเท่านั้นเองพอโรงเรียนอยู่หน้าบ้านห้าคนนี้ก็ส่งทุกวันเอาสมุนกันก็เลยนี่เป็นที่มาของสร้างโรงเรียนบารีที่ วัดโบราณปัจจุบันกำมังรีดกำลังทำอยู่อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งที่เห็นเชิงกรนอกจากผู้อายุที่ทาแล้วเป็นโรงเรียนผู้งอายุแล้วปัจจุบันเรียนเฉพาะวันพระใหญ่มาที่วัดแล้วก็คุกันชวนกัสักครบ้งๆนัดหมอมาจัดเพลที่หมองตนมามาเช็คความดันให้หน่อยยายรัวเพร่้าเายามาด้ ไม่ต้องไปเดินหมู่บ้านแ ไ, ไม่ต้องไย้ายไปหาหอหอกลำบากไปแกแล้วไาพยายที่บ้านเลยแล้วก็แนะนาให้ทำยาปยาคายาเขียวยาลงเนี่ยให้หมอไปเชครอันนี้ก็ดีีขึ้นที่คนพบันเจอก่อนและวันนี้สุดท้ายที่เจอปัญหาที่ฟังมาแบุกเิได้ทราบขาว่าใกล้ๆวัดตรงนี้มีน้ำท่ว ดานขึ<ส>้นมาแล้วทุกคนก็ปล่อยน้าน้าแม่น้ำีก็ดันขึ้นมาปาหมูบ้างบางบ้านลวงขึ้นบ้านแล้วทนี่ยครนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็ให้กาลังใจเขามาแบบนี้เป็นเกินพานเวลาที่อมาเป็นตอนนี้เนาะกองไทยที่ต้องทุ่มเทลกมาขอสงบสันติสุขโดยตัวกันทุกท่านทุกคนเกินกาเปนเจ้าผู้น่งซครับซึ่งท่านเป็นนักประทาครับซึ่งผมก็ไปต่อครับ แล้วเขจะมาเคยทำงานที่ใจในะ่านด้วยครับนะสุดท้ายก็จะกราบพิมพมอดิ์ท่านพระครูสิทิประโยชนธรรมรัมรนามาตนบพิมส์เด่นและที่สำคัญคือท่านได้รับสมรสัะเจ้าคุณจากฝั่งพระเมรถ้าเป็นคนเป็นพระคุณเจ้าที่มีอะไรเยอะแยะมากมายตอนที่ผมจะได้เป็นรองรัฐมนรีผมไม่กล่าวท่านถึงท่าเดียวแล้วก็ได้เลย ุดาอดีตปานาธบเอ่อพระยาราเบอบานะครับแล้เกยวกัเ่อการปาตร แล้ก็เพื่อความทุกทุกท่านนะครับมีในความท่านพระมหาใจใจในพูดถึงความทุกข์ความตำบากความปีนเขากระโดดต่านเราธมาในคังามมารู้สึกว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนมีราคา พี่นองท่านหายพระพุทธองค์ท่านสอนว่าทางทานที่มี อ, นนอยาณาจักรใหญ่ที่สุดคือการให้อาภายัยหาการสงร่งเคราะห์ทานบนที่ใหญ่ที่สุดก็คือการช่วยเหลือ บางคนไม่มีที่พึ่งเลยอาตมาก็เคยเคยประสบการณ์ว่าคนบานนี่มีมีพอ่อมี แ, ม, แ ม, ยย ม, ม่แล้วก็เคยย้ายจากพื้นที่ตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับมาพระกลับมาไม่มีไม่มีหลักาสนาหรืไม่มี ไม่เป็นคนไทยเลยอยู่จนเป็นนุ่เป็นสาวดังนั้นวัน น, นึ่งทำหมดแ่บไปกราบหลงพ่ไปกราบศาสนาหัวงพ่อช่วยท้องครอบหน่อยทำหมดทมดี่ไม่เป็นคนไทยเลยทำยังไง ไม่รีปัญญาคนเป็นพาายาบาลเลยให้โรงพ่อช่วยด้วยทำยังไงสมาเลยเออ่ดินท่านผูน้บรย ก, ยการโรงเรียนไปหาให่มอปลาไปหาแม่มอปลาแล้วก็ช่วยกันต้องกับโทษ พากันไปอนเภอว่าหลวพอเป็นคนรับปิดชอบเองให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยให้สมบูรณ์ตามกฎหมายมื่นานแล้วจะไม่เป็นคนไทยเป็นคนมีความทุกข์ตลอดนี่ได้สำเร็จอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับ เด็กที่กำพรา้าไม่มีที่พึ่งเหมือนท่านพระราชนัดพูพี่น้องทัาา้งหลายว่าเรามีจังหวะมีโอกาสมีเวลาไปคนแถวแถวบานท่านจะเห็นเห็นคนหนึ่งที่ไม่มีที่พึ่งเลยท่านทำ บ, บุญเถอะได้บุญมากกว่าไปท้องแผ่ทิน เชื่อมั้ยไปพร้อมกับทิ์อาจารยได้บุญไม่เท่ากับการช่วยคนเหล่านี้นะฝากพี่น้องทุกคนด้วยเชื่อขอเจริญอนว่าพระพุทธองค์ขอเครื่องทางอามิสสัตานการให้อามิสตานทุม ธรรมทานการให้ธรรมอาภัยทานการให้อภัยสามกะหะทานการช่วยจงคร้อ น, นี่สากะหทานทานใหญ่ทานใหญ่จริงๆได้บนิจริงเราตายไปเนีเราไม่นานกก็ตายพวกนี้อาจเดือดริ้ึง ถ้าไม่ได้คนนั้นเราไม่เป็นอย่างนี้แล้วท่านจะมีความสุขบรรพายชีวิตท่านจะนอนหลับอย่างสบายเพราะได้ช่วยคนเหล่านี้นะครับขอนำรักทรงที่พระพุทธองค์สอนมา่าเป็นที่สุดท้ายว่า การประชุมในสมาคมนี้ทำให้เกิดหูสวา่างหูตาสวา่างเกิดความสุขเกิดความรู้ความเข้าใจในสังคมเพราะนั้นฝากท่านทั้งหลายว่านำข้อมูลที่จะได้รับการจากการประชุมนี้ไปปฏิบัติ และท่านจะมีอายุวันนะสุขภาพปะลาอายุมั่นวันยืนถ้าท่านไม่รู้ลูกของท่านจะเป็นคนดีแม่ลูกของท่านจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ลูกของท่านจะบูชาพ่อแม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข ทุกทวดมาเดิน ส, นสนวครับเกิดได้ตำแหน่งกไปนะครับวัดตะกองต้าครับอํเาเภอกระสท่านาาาน้เราสมบูรณบได้ที่เมืงที่สมบูรณ์ีท่านได้สำนักสัจจาคือพระปัญญาวุมิเป็นที่ปรึกษาสังฆราชที่ตน่ครับสุดท้ายนั้นนะครับสุดท้าย น, นั้นแคือวันพรุ่งนี้นแกนํานไปว่างท่านจ ไ, ไ, ไป ทำวิธีตวายผ้าป่ากองุนศิลอาสาการจร า, า, าจรเส้นวันนั้นแกนนักก็ได้ทราบว่าเราเอามาจากไหนก็จะไปเป็นกองุนก็จะเลือกแก้ปัญหาต่า ง, างๆเราจะได้เอากองุนนี้ไปไปดูแลเป็นรปยนญอย่างที่ว่าคนระับดังนั้นพรุ่งนี้นะครับก็ท่านใดที่ว่าเข้าไปที่วัดมโวถนนุชตาบนสูงเนินเบอรัร จังหวะเวลาไปต้องจงสียแยกสาวเดียวขาไปประมาณสัก5้กิโลนะจ